พระธรรมเทศนามโหสดจาดกจอมปราทแห่งมิถิลาภูกติเก้าฟังแล้วเกิดพยาปัญญาปลาหุชฉลาดเรียบเพียงใบจากต้นฉบับพกื่นเมืองโดยปออินสมชัยชมพูปเปลียนทาหกประโยกน์นักทมเอกอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงหายอะโมตัสภากาวะตโตอาราห์ สมมาสมพุทธาโตุมปาราเทวิตาซาโลสาวาสิกังกาเลจินเติต สาทาบูดุราสะโริจตังลายตั้งยิ่งใจหนุ่มเทามีสัตธาเก้าเป็นพะทาน จุงแปงใจบ้านเจีนจ้อยต้วตามทอยกำรมทำฟังแล้วจำติดต่อตามบาทคอบาลีว่าอุตุมประเตวีดังนี้เป็นต้นบัดนี้ได้เตื้อ โอตุมปาราเตวีอันวานนางโอตุมปอนเตวีน้อยนาดก่อคึอดขวาดกันนิ่งในว่าเจ้าใสา่ใจบุญใหญ่อายุได้สิบหกปียาสามีลายหลากป ร, รีวานมากหลวงลายกวนตนคำใจอ่อนน้อย มีกูหอยเตรียมคิงกันขาดนิ่งเมียนแล้วก็กาดแก้วภายพันไปไข่ปันบอกเก่าแก่เต้าเจ้าวิเทหราชาเจ้าปาราชญทิราชก่อนุญาตตามใจนั่งก็ไว้รีพาวไปบอกเก่าขีา่ยาฮหนอพุท ธ, ธาบุญใหญ่ ได้โฮควายตามมีนอหมูนี้ยอดซอยจริงตอบถอยกําไปว่าค่าแดงแม่ห่อใจยอดใหญ่ค่าบ่ไฟสนหา ยังนางกันยาบวนหมูอันมีอยู่ดวงลายคาจักพันภายเสพอยังนางนอกกันยานอกป่ารเบืองกว้างกันสมไปอังคนิงใน จริงจะใครบอกเล่าแกแม่เจ้าเตวีข้าขอนีละภาคออกไปจากเวียงใจก้อยเอวไปสะสอดหาอย่างยอดนงทราน <c oughs> บอกอนานเบิอนมากสองสามวันหากเป็นไมายขอยาทาวายกาอาวเฮอเจ้าฟ้าหูขี่ยากันไข่จ้าเมียนแล้ว เจ้าดอกแก้วมะหสต์กุมารก็คือปารีวาบ่น้อยมีดึงร้อยเป็นธาราแต่งกาญาด้าเอลเป็นจ้างยิบแซลใสยไหมและออกกาไกละภาคออกไปจากเคลื่อนตนรีบเต้่วหันไว้ว่องไปสู่ห้องหันเนือคนจดเจือหน่อยใหญ่แม่นปะใส่ ต, ตา ก็บอสัญญาควาดหูวว่าเป็นเผ่าผู้คนได้เข้าแลไปพอแลออกก็ว่าเป็นจ้างยิบแซลหัวทรงโนงพุทธองค์เตียวสอดพดไปรออุตรายาวมัดจากกามก่อหันนางงามหนึ่งใสฟงเตียวไต่ต่างมา ทารงโสภาวิลาศวันนาอาจเอาใจใสยวงยิ้แต่เก้าแห่งนางน่อเนานารีเป็นเศรษฐีเงินมากาปลูนหากตกจนเหลือสองคนพ่อแม่นับอ่านแต่มีสามกับนางงามหล่อเบาอันเป็นลูกเตายิงเดียว นางตาเขียวน้อยนาดก็อบย่ายบาทกะไปเพื่อเอาเข้าตมไปยื่นต่อฮือแก่ปอพิตาอันไทนาแต่เจ้าฮือได้กินเขายำาง เจ้าบุญภายสัน้นพอนยังดัางนอสาวสีละคานาดีบ่อน่อยใจจ่องห้อยปิญาว่ากันนางโสพากินกูบ่มีกูเตรียมกิงกวนนำไปปิ้งแนบคางรวมกว่อสร้างหอในส่วนสีนองไว้หนอเน่าเล็งหันเจ้าบุญนา ก็มีสีเนหากเกตองด้แห่งห้องหัวใจว่ากันกู้ได้ไปเป็นกู้รวมเฝ้าอยู่แก่หาแห่งใจไกลตาผู้นี่ใส่เตียงจักใดเย็นใจเข้าของใดน้อยใหญ่จักหอมยับไว้ตามมีหนอมูนี้วุ้นใหญ่ใข่หูไขหันใส่ว่าสีนองไว้กินกู ยังมีกูสามีกาหรือว่าหาบอา่อใดนอพระติวไวคานิงนา่งในว่าควรแต่งปัญหาไปเฮือพอกันนางนอนนารีพรยามีแต่ใส่ก็จักตอบใดเรียว้เจ้ากำมือไปบอ่อจ้าเฮือหันต่อหน้าต่อตาเป็นปัญหาฮือหูบ่านางมีกูเตรียมใจ ครือบ่อมีไัยแนบ้างอยู่เปียวว่างเดียวได้นางบุญภายบ่อจ้าแบมือต่อนาเรียวไว้แตนกำไขยเกาอกูว่าบ่อมีกุสามิการนอบุทธาบุญใหญ่หูแจงไข่สับพันว่าสีสุพันหยอดซอยบ่อมีกุหอยสามิกา จึงเข้าไปหาทามเล่าว่าดูระนังนอนเนาคิงบ้างตัวแห่งนางนั่นใส่มีจื่อไว้สั่งจา <c oughs> นางก็จะเกาวกี้เป็นกำลับลี่บังใบว่าของอันใดนั่นเล่าบ่มีแต่เกาอาติตะการบ่มีเมื่อนานไปนาะ บ่มีแก่คนโลกลาปัจจุบันพ่อแม่ปันเรียกร้องเป็นจื่อข้าน้องดีลีนอมูนี้หนุ่มดาวก็ะหูเก่าเรียวไว้ว่าของบ่มีไหนปางก่อนบ่มีในบ่อนปัจจุบันบ่เคยหันไปนา แก่คนโลกลาสงสารมีแต่ดิฟานนั้นเล่าบอกหูเท่าและตายรอยนังบุญภายนี่ใสมีจิวไว้ว่าอัมราแปลความมาคือหูว่าบอหมูบมู่บําบายเจ้าบุญภายเกิดแล้กก็ทำดังแก้วโสภา ว่านางเจออมมาลาเป็นเก่นแม่นบ่แม่นสันใดนางก่อไข่ก่าวแก้ว่าแม่นแต่ตามกรรมนอขุนทําถามเล่าว่านางน่อเนาหนงไว จากนําเข้าตมไปติอยู่หรือเอาไปสู่ไผจานางก็จากเกาจีบะคาแดปีแดนไก่คนผู้ใดนั้นเล่าเป็นเทวดาเก่าคุณนํา อาจากนำไปยืนด้วยใจจืนยินดีนอมูนีน้อยนาดก่อเกิดความพิจารดาวเทวดาภูกาคือพ่อแม่เจ้าคุณลหล รอยนางชมชายน้อยนอนํำไปฮือปอดีลีจิงไขวาตีต่อทอยว่านางหยดซอยใส่ใจเตียงนำไปยื่นต่อฮือแก่ปอสัตจังนางได้ฟังแจ้งที่ก่อเกาวจี้เรียวไว้ว่ากําพีไขเกาวแกหากเป็นแต่ดีลีเจ้าบุญมีทมต่อ ว่าปอนางนอโสพานีะสั่งจ้าไข่หูจุงเกาตามีนางไข่วาตีตอบตาว่าปอแห่งคานงคานกระตำการอันหนึ่งใส่ดับทวนไข่บ่มีสองเจ้าทารีปองหูรอดว่าปอนางยอดกันยาไปไทยนาเตียงแต่จริงเกาแก่กำไป ว่าป่อสีดงไว้หล่อเบาผิวบ่อเศร้าโสผ้าไปไทยนาเป็นแก่นแม่นบ่อแม่นสันได้นางก็ไขรเกาจี้ว่าแม่นดังพี่ไขก่กำ พอคุณทําทาเล่าว่าป่อนังนอนเนาไทยนาตีได้จ้าขอก่าวหูหข่าวตามมีนั่งชมสีอ่อนน้อยก็ตอบถอยเร็วไว ว่าไก่ตีคนไปบ่อปอกบ่ไอ้ายนาออกขึ้นมาเจ้าบุญนายยดใหญ่ก่อหูได้บัดเดียวจริงจะเลี้ยวทำเล่าวาดูระนังหนอเนาคิงบาง นาปอนังนอลาอยู่ไกล้ป่าจ้าเสียพีกันบ่บีดังนี้จุงเกาจีไข่มานังก็จากเกาแก้ว่าแม่นเตียงแต่ตามกมเจ้าบุญนำถามเล่าว่านังนอเนาดองไว้จักเตียวไปวันนี้กันถึงตีแดนนาจักไกกาปิกปอกไหวน้าออกขึ้นหลัง เรื่อวันยังอยู่เฝ้ากับปอเจ้าใสา่ใจสะตวีนองไว้อ่อนน้อยก็ตอบทอยไข่จาว่ากันบอมาจากปอกวายน้าออกไกลกา กันว่ามาดังอันคาบอดันขึ้นหลังเจ้าได้ฟังนั่งเกาก็รอดาวขีญ้าวานานางโสผ้านอนาอยู่ฟังคำนาณตีกันน้ามีลาลังนองท่วมฟังสองปลายนางบุญภผยบ่อปอกบ่ออายหน้าออกขึ้นหลังกันน้ำยังดังเกา่า เมือม่อเมื่อเจ้าวันอ่อนนางจักจรบร่จ่ารีบวายนาขึ้นหลังนอปุธังตนองอาจกับนางน้อยนาดอัมมาราต่างใครจาตอบท้อยมีบอ่อน้อยลายภากานกมีฮันแลยนา อาทาในกาละนันไซนางนดาทัยอัมมาราจริงใครจะทำเล่าปีจักกินเข้าจะรื อ, อยาอือดักอยู่จุงเกอาตามมีนอมูนียอดซอยขึย้นข้าคอยไปมาว่ากันจักจะห้ามเล่าบอกเป็นเก้ามงคล เตะปายบนหูข่าวเตียงตานเก่าดินตาจริงจักจาตอบทอยว่ากันนังนัดน้อยยินดีมีไม่ทีภายแพยยืนปันแกต้นใจพี่บอหมยห้ามขาตามนังนัดจักปันนังจอมควันบุญใหญ่ก็วางหมอไว้เหนือดินหน่อมูลินหนุ่มเน่าขานิ่งเหล่าไปมา กนังโสภาแสงสวยบ่อล่างถวยท้าไหลบ่อเอาน้ำใสใสไว้สวยมือไข่สองปลายจักพันพายดีกลีนีจากนีไปปัน สลีสุพันณบุญใหญ่จบแจงไขกองดีเอย่ดังหนอมูนี้คืดขวาดบ่ได้ขาดอันใดดังนองไว้แบ่งส่วนฮือครบทวนเสมอกันส่วนหนึ่งปันแก่เจ้าส่วนหนึ่งเหล่าดังด่างฮือพีตาตนป่ออันทาพอกองตังเจ้าบุญขวางนอแก้วกินอิ่มแล้วเต็มตัน ยังมีหมากตันต้นหนึ่งใสอยู่ตีไกกองตาลูกนำนาลายแลสุกเต็มแผ่ไปบนนางตาบนแบนฟ้าขึ้นสู่ข้าลูกคาเจ้าบุญดาสั้นพอเอินปากตอกำปว่านางใสใจอย่าจ้าจุงสัดกว่าลงมาฮือปีนีนาจิมพอ โดยแจ้งต่ออาการวานบ่หวานไขรหู้จุงสัตว์ลงสู่กองตาดังโซผ้ายอดซอยก่อตันท้อยไข้ปันว่าลูกหมากตันนี่ใส่กินได้ไขยิ่งใจเศษทีลายปอก้าตั้งคนกำมผ้าเครื่องเข็นปีจักกินลูกเย็นหรือฮอน มันอยู่บนเดียวกันนอคุณทั้ตอบเล่าว่า น, น, นางนอเนาจอมควมันจุงชักปันลูกหอนฮือปีจิ้มก่อนบัดเดียวนางก็เรียวสัตโจงลงบนลงดินทรายเจ้าบุญภายนอเนาเก็บแล้วเป่าเอากินนอมูนินก่าวจี้ว่าจุงฮือลูกเยน็นแกปี่ตัวมา นางโสภาบอดเจ้าส like ั์ลงป่าหญ่าบัดเดียวเจ้าก่อเรียวเก็บเหล้าบ่ได้เป่าเอากินสีนรินหล่อเบาลงจากเก้ารุ้าแลออกก็มายืนอยู่ใกล้เจ้ากินกูบุญมีหนอมูนีตนองอาจริงธามนั่งนาดอัมมาราวาปีจักไกกาเตียวตอง ไปสู่ห้องเฮือนนางอย่าใจจางจังปีคอเกาจีตั้งไปนางก็ไขตอบทอยว่าปีจุงก้อยกาไกเข้าไปในกองกาดจักหันถาดสัตุกรมีเป็นบนเป็นจุมตั้งนำพาอุ้มเป็นทอยของใหญ่น้อยลายพระการบ่เปรอนานแต่ไส จักหันตนไม่งามดีใบมันมีเป็นงาจุงยังทากันในกินเข้าด้วยมือใดแน่มันคือไปตั้งนั้นเร็วปันก็จักหันบ้านนอกอยู่ตัดจ้องกองตากันใข่จ่าเบี้ยแล้วนั่งนอนแก้วใส่ใจ ก่อนํำเข้าต้มไปส่งป่ออันท่าพ่อกองตั้งก่อมีหันเละนหนอพุทธากินกู้กับตั้งหมูสหายก็พันภายเตียวต้องไปตามจ้องกองตังตามดังนางบอกไว้ย้อนคึดไดหันใส ว่าต้นไม้ใบเป็นงาคนทั่วนาหญิงใจ ย, ย่ำกฎหมายจื่อไว้ว่าต้นไม้ต้องหลางพิจารณ า, าตางสองแง่ก่อหูแน่บวสังกา ไปต่างขวาแต่ใส่ย่อนขนหลอกไตยิ่งใจมีลวงลายหนุ่มเทาย่อมกินเข้ามือขวากันไก่กาไปรอถึงตีจอดเรือนนอน แห่งสะลีบังอ้นยอดสอยงามจีนจ้อยอัมมารานางมารดาแม่เท่าหันยังเจ้าบุญภายกับสายมวลหมูเข้ามาสู่เฮือนตนก่อเรือนรับตอนด้วยกำอ่อนจาวานฮื่นนอบูที่านน้อยนาดนั่งเดืออาสนาแล้กก่อจาทำเลา ว่ากินข้าวงายเจ้าหรื อ, อยังหนอปุธังตนผ่านแพรวตอบว่ากินอิ่มแล้วนันนำข้าต้มลำบ่หน่อยจากนังหยอดซอยอัมมาานางมันดาผู้แม่กอหูแน่ในใจว่าใจเดนไก่นีใสเตียงมักไฟปีญายัางที่ดาลูกเต้าจิงได้เข้ามาจู ยังถามดูคือที่บอแเมนตีตามไรเรากดเต้ากดหมยไว้ก่อนดารับตอนตามมีนอมูนีบุนใหญ่แม่นหูไขขี้ญาว่าเขาเกรืงกาตกยาก็บอกออกปากจะทาเต้าไขกำงามบอกเล่าว่าข้าเด่แม่เจ้ามันดา ตูขาหนีนาเตียวแอลเป็นจ้างยิบแซลขัวใบของอันใดพุทธขาตั้งเสื้อสาดสุดหมอนตั้งตีนอนเสื้อผ้าจุงฮหือตูข่าเรียวปันจังช่วยกันยิบแซลหือเมียนแล้วบัดเดียวดังจาเรียวกล่าวอ้างว่าบ่มีกะจังจักปัน นอคุนทันต่อทอยว่าตัวข้าน้อยตั้งลายจากยิบ ป, ปันไดแต่ใส่บ่อวังไดเงินคำของอื่นนำลายแล่บ่าเอาจากแม่ อ, อันใดนางเดียวไว้ว่าวาดเอาเสื้อผาขาดมาปันเจ้าจมควันนอแก้วก็ยิบไข่เลวเรียวปันพอบ่อหันห้อยต่อ สั้นตาพอกวนอ้ามดูไม่งามบ่เศร้าห้อยขาดเก่าหายไปเจ้าก็ไขเก่าแก้ว่าขอเจ้าแม่มันดาไปไขจากเก่าอู้ฮือคนหูยาวไปว่ามีใจแดนไก่เตี้ยวแอลเป็นจ้างแซ่ล้วงลายไผยั้งไหมไฟอ้าง จุงมาจางเรารานางมานดาแม่เท่าก็เยาะตามเจ้าไข่กัมคนนาดำได้หูไหลมาสู่เป็นสายเจ้าบนผายยดใหญ่ยิบแซวไขงามเล่าตามใจเข่าไฟอ่างใด้กาจ้างนํานาเป็นกันธาหลายละ ปันกะหาปหนันหากเป็นไม้บ่อเหมือนลายแต่เล่าตั้งแต่เจ้าถึงตนก็มีหันและนะกันถึงตะวันคำลานางแว่นฟ้าอัมมารากอน้ำลัวมาจากป่าวางไวน้นาเฮือนตนแล้วอถอยห่นไว้วง ข้พาพระตูหองไปหลังรีบแต่งยังเขาน้ำโพชนาพมตามมีส่วนปอนางชมสีกินกู้ก็มาสูเา่เกหายามตาวันดาตกต่ำดกน้อยพมยองกอนสรีบังอ่อนน้อยหนาจบฉลาดกองทมก่อรีบนำขันเขา้า คือพ่อแม่เจ้าสองขากับหนอปุ ธ, ธากินก่อนนางน้อยอ่อนกินลุนดอตนบุญหันแล้วใจฟ่องเท้ายินดีว่านางชมสีจบจอดหัวแจงรอดกองามตนใจรำยศใหญ่กอน้อมไหววันตายังสองขาพ่อแม่ตามรแต่โบราณ ขอนางนงคานดอเนาไปเป็นเก้าแกหาตั้งสองขาพ่อแม่ก็ก้าวแก้ปองปันยกจอมควันลูกน้อยแก่เจ้ายอดซอยบุญมีฝันปอนดีใจโจกตามหนโลกเดิมออนถึงยามนอนมารอดนางแก่ยอดนำมาราก็อเอาน้ำมาแถมเหล่าล่างตีนพ่อแม่เจ้าสองขา กับนอปุทถาน้อยนาถือสะอาดหมดใสไข่กำยออ่อนอ้อยฟังจื่นจ้อยวอนหูเจ้าจักลองดูนางนาดว่าจบชาลาดสันใดจักมีใจบ่เศร้าต้วริรดเก่ากองทาจักตามคำเก่าจี้เรือลีกลีลานีจักมีขันตีตั้งมันบ่ไววันเวว่า หรือเคื่องกาเคิวโคใจไรโหดตาล้นหนอตะสะพนหนุ่มเนาจิงยั่งพอเฝ้าหลายวันก็มีหันแลนะนาอาเทกตีว่าสั่งยังมีวันหนึ่งใส่หนอพระติวัยบุญมีจิงใครว่าตีบอกเล่าว่าดูระนางหนอเน่านงคัน จุงเอาเข้าวสารแข็งหนึ่งใส่แย่ฮือได้สามผักการคือข้าวนมหวานและข้าวแข็นกินอิ่มแน่นน่านำตั้งข้าวต้มลำนำมากตามนางหากจักกระตั้มย่ฮือลำกล่อแล้วอย่าฮือกาดแก้อเสียได้นางบุญภัยอ่อนน้อยก่อขันรับถอยบัดเดียว และอรีบเรียวแต่งสร้างตามเจ้าอ้างจะใครเข้าอันใดแตกน้อยเบ็ดหักน้อยนำนานางโซผ้าเอาต้มคือซุกลมเรีววยวไว้ส่วนเบ็ดใดหักแย่คือว่าแตกเป็นเปลียนนางก่อเพี้ยนตกแต่งเป็นเขานมแห้งลำหวาน ส่วนข้าวสารเม็ดใหญ่ฟัดเสียงไข่งามดีกากบมอมีเป็นแก่นหุงเป็นข้าแเคนเรียวไว้แล้วนำไปยื่นต่อเือเจ้านอมูนี <c oughs> เจ้าบุญมีตนองอาจจิ้มข้าวต้มนางนาจบุญภายมีรสลายเหลือแลสารแพ่ไฟในเจ้าแซงจากไข่กาวอาัง ว่านางบอดจางดีลีบอดลำดีสักกากเนี้ยเข้าหากเสียได้แล้วแสงไขรบอรจ้าถ่มออกต่อหน้าตนนางสาลีกิ้งบ้างบอกเล่าบ่กกันปีเจ้าบุญนำกินบอดลำสักกาเกข้าหนุ่มหากยังมีแล้วเอาเข้าหนุ่มดีแต่งไว้ ยืนมาไกลบัดเดียวเจาว้าก็เรียวจิมพอ่อแสงด่าตอกำไปว่าเป็นสันได้ดังอี้ไผ่เกาจี้สอนปันแสงเดียวปันใครออกไปไปนอกเกะหานังก็จะบอกเล่าว่ากันพี่เจา้าบุญภายบ่ลำลายสักกาเข้าแค่นหากยังมี แล้วเอาเข้าหุงดีแต่งไว้ยื่นตีไกสับปันเจ้าจอมควันน้อยนอแสงจิ้มพอกำเดียวไขออกเรียวต่อนาแลวร้องดาคำไปนางจังไรไดแล่งงามก็แต่ตัวไดโพจะนะลายน้อยใหญ่บ่อจบไขอันใด นางจุงไว้ยาจ้ามาต่อหน้าตนใจเอาเข้าตั้งหลายนี่ใส่ตาืฮขวายตัวนางแล้วไปยืนขวางพระตูใหญ่เฮคนใดเล็งหันนางจอมขวัญหน่อเน่าก่เยี้ตามกำเจ้าจูพระการหน่อโปธที่านบุญใหญ่ก็อหูใดในใจว่านางดงไว้นี่ใส่ หามานะบ่ได้ดีลีจริงใครวาตี้เรียกร้องเข้ามาสู่ห้องภายในแล้วบอกนางไปอาบนำ้ำจำราพัมกัญญานางโสภานอน่ า, น า, น า, นาก็ตามกำเจา้าบัดเดียวก็มีหันและนาะ อันว่ามโหสดหนุ่มดาหนอพระเจ้าบุญภายก็เอาเงินลหลมวนมากสองปันหากเป็นทาราปันหนึ่งใส่ธงมาแต่ก่อนยามจากบอลเฮือนตนปันหนึ่งไดกาสนยิบแสวนับรอดแลอสองปัน ยกยืนปั่นพ่อแม่แห่งนางงามแงอุดมเป็นกานำน้มเข้าปอนตามรีดก่อนฟังหลังแล้อปายังนางนาดวันดาวิลานำมาราคาปันตาพ่อแม่ไข่ก่าวแก่กำงามเปืือนำนางกิ่งรามกิ่งกู้ปอคขึ้นสูงเือนตอน ทั้งสองคนพ่อแม่แห่งดาังงามแยอัมมาราก็ไข่จาปงขาดอนุญาตวางไปปั่นปนใจโจกใหญ่ตามริทยเดิมมา เจ้ากอปานางนาดยกย้ายบาดไก่กาจากเกหานางน้องเปลือปกห้องเรื่นตนรอตาสะพนอง์อาจยามย้ายบาดเตี้ยวตังกอปันเกือบนางสุปไซตั้งจองใหญ่บางวันก็แอพายพันเตี้ยวกว่าลางเตือลัดปาดงดอนลางเตือเตี้ยวจรคคำนำลางเตือยำไก่กา ผ่านตรงนากว้างใหญ่แดดท่อนไม้เดือดลายนางบุญภัยดอเนางามบัวเศร้าอัมมาระยำลัดดงนาเตือนทองจริงกลางจองบางวันกันป่นดงตันป่าไม้ก็ฮุบจองไว้บาดเที้ยยำจากเที้ยคำน้ำจริงซุปเกือบยำพันพายกันป้นสายน้ำใหญ่ ก็ถอดเกือบไปเดียวไปตาวันใส่สองตองก็บอกกลางจองบังบนต่างเต้ยวหันร้อนไหมบ่อซุปเกือบไตพันพายผมคำใจหันแล้วจริงทานางแก้วใสใจว่าเยสันได้ดังอีจุงเกาจีปัญมา นางก็จ่าบอกเล่าว่าข้าแด่เจ้าบนมีกางดงรีเถื่อนทองนองกางจองบนหัวย้อนว่ากลัวกิ่งไม้หรือสัดถอยไรนาน า, นานาตกลงมาต้องปาดเธอเจ็บบาดตัวตนยามเตียวหอนคำน้ำซุปเกือบย่ำไผ่พันย้อนบอหันและหู ว่าขวากนำอยู่แดนใดปนน้ำใสถอดไว้ออกเตี้ยวไตดินได้นนย้ย อ, อ, ยนอนขวากนำลายน้อยใหญ่ลิงหันได้โตตาเจ้าบุญดาฟังแล้วใจฟ่งองแผวยินดีว่านางชมสีน้อยนาจบฉชลาดนานำตังไข่คำเกาวทอย มีบ่อน้อยนานาก็แอ่ไกลกาบ่อผ่อนบ่ออิดอ่อนรวยแรงยามตาวันแดงย่อนหอยดาลับเดียมน้อยอยู่กันทอนจิงเต้วจรมารอดเมืองแก้วหยอดมีทิลาหนอพุทธาผ่านแถวก็ฝากนางแก้วบุญจูกับนายพระตูผู้ใหญ่ คืออยู่ไกลรุมราบคือรักษาเฝ้าพอนังนั่งนอชมสีส่วนตนบุญมีกินกู้กับตั้งหมูสหายก็ผ่านภายไว้ว่องเข้าสู่ห้องเวียงใจละสีลงไหวนอนเฒ่าอยู่กับคนเฝ้าประตูก็มีวันนั้นและน้า เนติตังขียาสังวันนาวิเศจาห้องเหตุมโหสุดผูกทวนเก่าปางเมื่อเจ้าบนขวางและยังนางน่อนเ n o ไว้กับคนเฝ้าผ้าตูเพื่อจักลองดูทีสั้นว่าใจนางเตียงมันสันใด ก็เอฟังไปเติมแทงจักหูแจงไปนุ่นก่อบังกลมสมด้ดเสร็จแล้วเต่าลี่ก่อนแล